ศึกษานะคะของโรงเรียนลุงอดุลซึ่งทุกท่านเนี่ยก็จะมีเวลาที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกันทั้งหมดติดต่อกัน5วันนะคะซึ่งได้กราบนิมนต์หลวงพ่อพระมหาธิเลจากวัดแพร่แสงเทียนได้มา เ, เป็นครูบาอาจารย์นำปฏิบัติธรรม แล้วก็ให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะศึกษาปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานเป็นต้นไปว่าในการปฏิบัติที่มีาการใช้สติปัฏฐานสี่เนี่ยนะคะ <c oughs> ตั้งแต่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ ได้เข้าสู่การปฏิบัติที่เข้าถึงโดยตรงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในโอกาสอันดีนี้เนี่ยก็ขอให้คุณครูทุกท่านและก็ผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมนะคะทุกๆ ท, ท่านเนี่ย ได้ตั้งใจแล้วก็น้อมจิตน้อมใจที่จะศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วก็เท่าที่มีเจตจำนงกันมาว่าทุกคนตั้งใจเต็มที่ที่จะปฏิบัติตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงค่ำนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ ประสบผลในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ตามสมควรแก่เจตนาที่ได้ตั้งเอาไว้แล้วก็ตามสมควรแก่การปฏิบัติของทุกๆ ท, ท่านและได้บรรลุธรรมตามสมควรแก่ธรรมด้วยนะคะก็ขออนุญาตกล่าวเปิดสั้นๆเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ได้ทราบเจตนารมณ์ว่าเรา จะทำอะไรกันโือเฉพาะประโยคสุดท้ายท่านกล่าวว่างไงนะขอให้บรรลุธรรมสมควรแกร่ธรรมให้บรรลุธรรมสมควรแกร่การกระทําให้บรรลุธรรมสมควรแกร่การกระทําถ้าเรากระทําถูกต้องและกระทําได้เข้าใจมากแค่ไหนก็ได้บรรลุเท่านั้นคําว่าบรรลุเนี่ยนะอาจจะร้อยขั้นเราบรรลุเท่าไหร่ สามขันข้นห้าขันข้นเจ็ดขันข้นสิบขั้นยี่สิบขั้นก็แล้วแต่สมมติสูงสุดคือร้อยขัน้นเราสมควรที่จะเข้าถึงชั้นไหนก็คือตรงนั้นนะขอนมุทนาที่นี้เป็นครั้งเป็นเดือนที่สามเราเริ่มตั้งแต่เดือ น, อนมินนจุนาอาจารย์พิจุนากรกฎาสิงหาซึ่งก็เราก็มีความคุ้นเคยและพอสมควรกับสถานที่แห่งนี้ แล้วก็เพราะเหตุไรจึงใช้วิธีการนี้มาใช้เป็นวิธีการเทคนิคเป็นวิธีในการที่จะเข้าบรรลุถึงธรรมสมควรแก่ธรรมนะคนอื่นที่จะลงตัวบทตรงนั้นก็อยากจะแจ้งให้ทราบถึงตารางเวลาหรือสเกจช่วงของแต่ละวันให้ทราบก่อนว่าสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลานะ เรียกว่าอะไรก่อนเวลาถ้าเป็นมวยก่อนเวลาอยู่ยกหนึ่งตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยก็คือใครต้องการที่จะฝึกฝนเรื่องดูแลร่างกายการฝึกโยคะฝึกลมปราณเพื่อสุขภาพและเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการแก้นิวรนต่างๆในช่วงระหว่างวันเนี่ยเราก็จะใช้เทคนิคตัวเนี่ยปิดตัวแก่ซึ่งไม่ใช่เป็นภาคบังคับ คนไหนที่ไม่สามารถจะมาได้ก็กไม่เป็นไรแต่คนไหนสามารถมาได้ก็จะได้ประโยชน์อั น, นิี้สูงตัวนี้ก็คื อ, อเวลามันง่วงมันเงามันเบื่ อ, ม, อมันขี้เกียจก็จะใช้อุบายแก้จุดรุ่มรานแก้อะไรต่างๆเข้ามาช่วยเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวก็า3ามวันแค่นในวันที่หนึ่งที่สองที่สาอันนี้สูงที่เราได้ก็คือถ้าคนไหนที่ รักตัวกลัวป่วยก็จะได้อันิี้สูงตัวนีนะ้คือจะไม่ป่วยไม่เจ็บที่มาทํามาปราณเกือบยี่สปีเนี่ยก็ไม่เคยเจ็บป่วยหนัหนอะไรนอะกจากเป็นวัดเป็นอะไเป็นไข้เป็ น, นเล า, เนนาติดเชือ้ออะไรนี่หน่อยก็แก้ไขได้ง่ายที่ทํามาก็สามารถมีกำลังทํางานได้ตลอดทั้งปีและก็ทั่วโลกก็ทําให้ได้อันนี้สูงตัวนีนะ้ถ้าใครตื่นมาได้ระหว่างตีสี่ตีห้า เกิดบางทีอาจจะคนมาเลดอาจจะเลยเวลาไปหน่อยนี่เป็นต้นนะฉะนั้นจากตีห้าถึงทีห้าครึ่งหรือบางทีอาจจะเลดไปถึงตีห้าสี่สิบห้าบางวันก็เป็นช่วงทีห้าถึงตีห้าครึ่งก็ทําวัดสวดมนต์อย่างที่เราสวดมามิกีจากทีห้าครึ่งถึงหกโมก็เป็นการภาวนาร่วมกันเป็นการพักว่าเราบทสวดทั้งที่เราสวด แต่ละวันไม่เหมือนกันวันนี้เราสวดแล้วก็แล้วก็เต็มเต็มรูปแบบเป็นฟูได้ก็จะเป็นตัวบทเหตุผลที่เราจะศึกษาต่อไปในความจริงจะได้จวันเนาะหรือห้าวันนี่ก็ทั้างเข้มเลยนะด้เฉพาะฟูใหม่นะเพราะนั้นก็เลยใช้สูตรที่เราสวดมาเมื่อกี้นะหกโมงไปถึงห โมงคือนั่งพักพิจารณาในบทสวดที่เราสวดมาเนี่ยเราจะไม่ทิ้งทีเดียวว่าเราสวดอะไรมาแล้วก็นํำไปนั่งปฏิบัติร่วมกันอย่างเงี้ยพักปฏิบัติหรือว่าพิพจารณาในบทสวดเพื่อบทสวดแต่ละวันนั้นนั้นคือหลักสูตรประจำวันที่เราจะปฏิบัติไม่ได้สวดผ่านไปแบบปล่าเวิเ ป, ปี้ปนะยี่จากหกโมงเช้าต่อจากนั้นถึงเจ็ดโมงก็เป็นช่วงของการทําความเข้าใจ ว่าสิ่งที่เราสวดสิ่งที่เราศึกษาที่จะไปทำในวันนี้ทำอย่างไรถึงจะได้ผลแล้วมันก็จะมีทั้งสองอย่างมีทั้งโทษและคุณในส่วนที่เป็นคุณเราจะทำยังไงให้คุณตัวนี้ให้มันสูงขึ้นในส่วนที่เป็นโทษในทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคุณมีโทษในตัวของมันเสร็จเราจะเลือกเอาโทษออกอย่างไรในชุดแรก เบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติในส่วนที่เป็นโทษของมันก็หนึ่งมีอยู่ห้ า, าขอ้อหนึ่งก็คือความขี้เกียจรักสบายที่เราเคยติดมามันเป็นโทษสำหรับการภาวนานะอันที่สองเมื่อขี้เกียจรักสบายไม่ถูกตอบสนองมันก็จะเกิดความมุ่งิดใช่ไหมไม่พอใจไม่สนุกไม่เอาด้วยขัดค้านต่อต้านอะไรมันจะเกิดขึ้นมา น, นี่คือตัวเป็นโทษอันที่สองที่มันจะเกิดที่เราเห็นโทษอันที่สามเมื่อทําอะไรก็ไม่ได้จะหนีก็ไม่ได้มาแล้วถูกล็อกตัวมาเรี้ยว้อยแล้วนะอะก็เบื่อซิงซิงไปทําก็ง่วงอันที่สามจะง่วงจะมาอย่างตุงแรงทีนี้อกง่วงจบแล้วก็ยังไม่เสร็จอีกมันก็จะตจบด้วยอันที่สี่คือฟุ้งซ่านคิดอะไรเล ơi, ื่อยเปื่อยเฉยแฉะไปห่านไปให้หมดหมดเวลาที่ โทษอันที่สี่อันที่ห้านี้สําคัญเอ๊ะเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราคิดผิดหรือว่าเราไมาคิดใช่วิธีนี้หรือเปล่าวิธีนี้ไม่น่าจะถูกจริตกับเราหรือวิธีนี้ไม่น่าจะใช่มันก็จะคิดไปสรารพัดสงสัยนี่คืออุบายสัเบื้องต้นห้าอย่างต้องเราจะต้องเจอแน่นอนตัวใดก็ตัวหนึ่งแล้วถ้ามาตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันก็จะพ่วงตัวอื่นมาด้วยแต่จะมีวิธีป้องกันอย่างไรแล้วหรือมันเกิดขึ้นแล้วจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไร อันนี้คือเราจะพูดเน้นย้ำทุกๆครั้งที่เรามีการบรรยายธรรมในช่วงหกโมงถึงเจดโมงช่วงเจ็ดโมงก็เป็นช่วงอะไรเบรคฟาสต์ น, นันก็คืออาหารเช้าอาหารเช้านี่นก็เป็นอาหารเบาๆนะไม่หนักไม่รู้ว่าอรอบนี้เป็นอาหารเจหรือเปล่าคุ้จุมหรือว่าทั่วๆไป พระสงฆ์ผาสาันพระสงฆ์ผาสารก็ในช่วงเจ็ดโมงถึงแปดโมงนะที่เรารับประทานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแปดโมงถึงแปดโมงครึ่งแล้วก็ไปทําธุระเส่ิมตัวอะไรต่างเรียบรอ้อยแปดโมงครึงเราก็จะมาพบกันที่นี่หรือคนไหนทาธุระเสร็จก่อนก็อาจจะมาปฏิบัติรอเพื่อนแต่ล่าสุดคนล่าสุดก็ไม่น่าจะเกินแปดโมงครึ่งเขจะมารวมกันที่นี่ จากนั้นเราก็จะปฏิบัติรวมกันไปถึงนู่นถึงสิบเอดโมงนะจะด้วยวิธีอะไรบ้างอะไรละเอียดเราค่อยพูดกันทีหลังในช่วงส1บเอถึงเที่ยงเป็นช่วงของอ า, อาหารกลางวันหรือว่นเลียเ้ยงสท้ายเสร็จแล้วจากเที่ยงไปถึงเที่ยงครึ่งเป็นช่วงของการทำาพื่ราบสตัว ไปทําอะไรก็แล้วแต่นะละส่วนตัววันเที่ยงครึ่งเราก็กลับมากลับมาถึงที่ประชุมในช่วงบ่ายเนี่ยบงคนก็ไปติดแหละติดหงิมนะเทคแอนแอในช่วงบ่ายเคยหงิมมาก็แต่ว่าล่าสุดสายสุดมาถึงที่นี่ไม่น่าจะเกินบ่ายโมงสําหรับคนอย่างนั้นนะแต่สําหรับคนที่แอคทีฟหน่อยก็มาตามเวลาก็คือเที่ยงครึ่ง น, น, นะ คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็ไม่น่าจะเกินบยโมงจากช่วงเที่ยงครึ่งไปจนถึงบ่าสาโมงในช่วงสาวันแรกจะมีเบรกตรงนั้นนิดหนึงงบ่าโมงนาทีสินาทีล้างหน้าถึงน้ำยกลงจากบ่ามงถึงบ่ายห้โมงก็อีกยกลงไปถึงเวโมงเย็น แต่ว่ารอบนี้ไม่มี ม, มีการทําความสะอาดก่อนเลิกนะคูจุ๋มน่าจะมีเนาะในช่วง3าวันแรกนะวันแรกในช่วง5โมงเลิกจากที่นี้ก็แต่ว่าในช่วง4ี่โมครึ่งเนี่ยจะนัดสอบอารมณ์ประจาวันก่อนไปถึง5โมงกว่าโมงก็ จ, จ ะ, ะจะเจริญสติมาทั้งวันเนี่ยให้ผ่อนคลายก็อาจจะไปทำ เอาความรู้สึกตัวที่เราฝึกนี่ได้ลองไปลองใช้ดูการจับไม่กวาดการเช็ดการทูในบริเวณที่เราปฏิบัติเนี่ยแบ่งกันไปร่างของน้ำม้วนส้วงปัดกวาดเช็ดทูจัดของอะไรต่างเท่าที่จำเป็นนะจนไปถึงห้าโมงครึ่งก็ไปอาบน้ำอาบท่าก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจากห3 0โมงครึ่งถึงห3 0งครึ นะที่จากหกโมงครึ่งที่มารวมกันแล้วใครมาก่อนก็จะมานั่งปฏิบัติฟังเทปดูวิดีโอประกอบประมาณครึ่งชั่วโมงจากหกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเราก็สวดมนต์ธราวัดเย็นด้วยกันไปถึงหนึ่งทุ่มครึ่งญาณุนะมถึงหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปสองทุ่มครึ่งชั่วโมงก็เป็นเวลาของการ เคลียปัญหาต่างๆระหว่างวันที่ผ่านมาว่าใครเจออะไรบ้างแล้วติดตรงไหนแก้ได้ตรงไหนแก้ไม่ได้ตรงไหนให้เคลียร์จบไปวันๆแต่วันนี้ฉันติดตัวเนี้ยจะแก้ยังไงไม่ให้มันลามาไปถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเราเวลาจำกัดมากแล้วถ้าหากวันแก้ไขไม่ได้นี่จะทํำยังไงเดีวเรจะปรึกษากันช่วงหนึ่ทุ่มครึ่งถึงสองทุมครึ่งอาจจะเลดไปนิดหน่อยเลิกไม่เกินสามทุ่ม บางวันมีลูกติดพันอาจจะเกินสามทุ่มได้นะนี้แต่ละวันแต่ไม่เกินนั้นอันนี้คือสเกจชั่คือตารางเวลาประจาวันนะเวลาปฏิบัติประจาวันคงจะมีในเพเปอร์แล้วเนาะจารย์ที่ติดเอาไว้ก็ไม่ไม่ต่างแค่นี้ถ้าเรามีขยับเขยงนิดหน่อยก็ไปปรับดูก็แล้วกันสำหรับผู้เป็นผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยเราเป็น ธรรมบริกรด้วยน่าจะเป็นคุณจุ๋มกับคุณเป้คุณเปดูแลเรื่องสื่อเนาะแต่ปฏิบัติด้วยคุณจุ๋มอาจะวิ่งเขาวิ่งออกถือ ว, ว่าปฏิบัติมาข้อหนึ่งแล้วสำหรับร้อนี้อาจจะมีะเรียกว่าครูพี่เลี้ยงจะรวมด้วยสอ ง, สองท่านครูพี่เลี้ยงท่านนึงก็คือคุ ณ, คณมริสาเฮนดิง ซึ่งเดินทางมาจากอเมริกาเป็นผู้ปฏิบัติกังหลวงพ่อมาแปดเก้าปีแล้วก็เมื่อหลวงพ่อไปเผยแพร่ที่อเมริกาก็ในคุณศึกานี่เป็นคนเข้าใจเรื่องเหล่านี้เป็นคนหนึ่งแล้วก็เวลาไปจัดข้อที่อเมริกาแต่ละรัฐแต่ละแห่งก็คุณศึนี่ก็เป็นคนดูแลจัดการบางครั้งก็ไปไปวิเคราะห์ช่วยบางครั้งก็เป็นเจ้าภาพอาหารบางครั้งก็ไปแนะนําผู้ใหม่ในการ ตะสปายะต่างๆเที่ยวนี้เธอก็อยากมาศึกษาไว้าล้างเมืองไทยเขาทําแบบนี้จะไปประยุกต์ใช้อย่างนู้นได้อย่างไรในอนาคตมันมีความแตกต่างส่วนใหญ่แล้วจากที่เมรกาเรามีสถานที่จํากัดมีเวลาจํากัดบางคนลามาเจดวันก็ต้องทําเต็มที่อย่างเงี้ยกวจะลาได้ไม่เหมือนบ้านเรา <c oughs> วางแผนลาล่วงหน้าเป็นเดือน ก็จะมาได้ก็ใช้เวลากันทุกๆุกเม็ดให้คุ้มเลยทีเดียวเงั้ยนะสามวันห้าวันเจ็ดวันคุณมิสาก็เหมือนมาดูงานที่เมืองไทยนะที่นี้ระดับที่แอดวานเลยก็มาเก็บอารมที่เมืองไทยที่ระดับเป็นผู้เป็นวิยากนก็แต่นลัฐก็เป็นวิยากนประจํารัดดังคุณมิสานมาจากเทนเนซีนะฮะระดับภาคกลางก็อาจจะได้มาเป็นเพื่อนพวกเราด้วยนะ อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบแล้วพรุ่รงนี้หรือวันนี้นะคนหนึ่งที่เป็นธรรมบริกรหรือเป็นครูพี่เลี้ยงคนหนึ่งแม่อ้วะหรือแม่วิจิตสุจิตรามาจากเทศชัยภูมิก็ก็ได้มาโดยตรงความจริงจะขึ้นไปที่พระธาตแสงเทียนนั่นแหละแต่ว่าหลวงพ่อบอกให้มาแวะที่นี่ก่อนพ่อช่วยมาหลายปีปฏิบัติมาเกือบสิบ ป, ปีเหมือนกันแต่ว่านหลังมางานหนักก็ทําให้ข่าขาไม่ดีก็เลย หลวพอเรามาแวะที่นี่ก็มาปฏิบัติการร่วมกับพวกเราที่นี่ก็อาจจะมีเวลาในการแชร์ประสบการณ์อย่นงต่างก็ทำให้การคล อ, อดเนี่ยในช่วงห้าวันก็มีครูพี่เลี้ยงอย่างน้อยก็สองท่านคลอดทางก่อนเรามีโยมพักขมลครูพี่เลี้ยงที่ก็มีครูมลิสาแล้วโยมสิจิตาแล้วไม่วัวอาจจะมาเป็นเพื่อน แล้วก็โยมติดตามอีกสองท่านนะที่มากับคุณวลิสาหรือคุณสุวรรณก็มาลาได้พรรสาเพราะเขาทำงานบนศาลนะแล้วก็เลยลาบวชแบบผู้ชายแต่ผู้หญิงเดี๋ยวดีลาบวชได้ด้วยใช่ไหมก็บวชแบบพรามแบบนี้สามเดือนก็มามถร่วมปฏิบัติด้วยนะอันนี้คื อ, อเบื้องต้นที่แจ้งให้ทราบ <c oughs> ต่อไปแต่ละท่านขอเอาหนังสือส่วนมูลเรื่มนี้นะขึ้นมาดูหน่อยที่เราสวดไปเมื่อกี้ว่าเป้าหมายที่เราจะทําภายในห้าวันเนี้ยมันอยู่ในนี้ทั้งหมดอนะทวัดเชา้าเมื่อกี้เพื่อจะให้ทบทวนว่าที่เราสวดมาเมื่อกี้นะที่เราจะต้องทําำหน้าหกนะหน้าห นักบุญชุดล่างะตั้งแต่ชาติปิทุกขาชราปิทุกขาบรรนัมปิทุขังโสกับบริเทวะทุกขโทมณสุปยาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโขภปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิจังนราปฏิตำปิทุกขังสังคิเตนะปจจุปทานะขันธาทุกขารวมละกิทุกโดยกันตั้งแต่ชาติปิทุขาลองนับดูนี่กิทุก อีทุกแน่แปดทุกนในในตัวที่เขาบวกแปดแน่นะแปดเราให้แน่เท่าไหร่หนึ่งชะลา หนึ่งชาติสองชรลาสามบารณะสี่อภเหห้าภีหกยัิชังเจสังคีตนะทีนี้อีกสเนี่ยมันจะบวกกนะันคำว่าโสกะคำหนึง่งปริเทวคํานึงทุกขะคํานึงโทมนัสคำหนึง่งอุปยาสคํานึงในคำว่าโสกเมันบวกอยู่ในนั้นหนึ่งสองสาสี่ห้า อะไรสิบเอ็ดหรือสิบสองสิบสองนะทั้งหมดทุกนะความไม่ไม่สบายทั้งหมดของเรานะประจําที่มีอยู่สิบสองอย่างทั้งกายทั้งใจมีทางกายนี่มีเท่าไหร่หนึ่งชาติสองชาลาสามบารณะทางกายมีแค่สามทางใจมีเทนะ่าไหร่เก้านนี่คือปัญหาใหญ่ที่เราต้องมาทำเรื่องนี้ ความไม่สบายทางกายกับทางใจนี่อันไห น, บ, บ, นะ บ, บ, กกนบำบัดง่ายอันไหนบำบัดยากกว่ากันบำบัดทางใจเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเรื่องมาศึกษาเรื่องทุกข์กายในความจริงสิบสองอย่างนี้น ะ, ะมันมีคําซ้อนกันอยู่คําว่าทุกขะโทมนัสทุกโศกะปิเทวะทุกขะกับโทมนัสทุกขะตัวนั้นนะเป็นไม่สบายกาย คือความไม่สบายทางกายเรียกว่าทุกข์ความไม่สบายทางใจเรียกว่าโทมนัสควา ม, มานันเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลผลอันนี้ส่วนนี้เป็นผลนะผลคือเป็นทุกข์ใช่ั้ยที่เราได้รับกันมาแล้วตลอดชีวิตเนี่ยมันก็คือสิบสองอย่างนี้ทางกายและทางใจที่เหตุมาดูเหตุถักลงมากรุนสายยทีทางเหตุมันคือสิ่งเหล่านี้ แต่ก่อนที่จะปฏิเหตุเนี่ยท่านสรุปว่าสร้างขีตินปะปัจจุปทานนะัขันธาทุกฆ่าว่าโดยย่ออุปทานขันท่าห้าเป็นทุกเนะี่ยหมายความว่าทั้งหมดนี่นะโดยสรุปแล้วเนี่ยคือตัวสุดท้ายนะโดยสรุปแล้วนี่ อ, อุปทานขันทั้งห้าเป็นทุกทีนี้เราก็ไม่รู้คํา อ, อุปทานเป็นคําพระใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําว่า อ, อุปทานในความหมายทางโลกที่เราใช้กันคุณ อ, อุปทานเยอะเกินไปเนี่ยความหมายของไมเไง อ him, like ือพวกคุณวอ้น่าไปเห็นพวกฮับบอกว่างแหวงว่าผีว่างอะไรบ้างคุณอุปทานไปเองบางทีความหมายใช้ทางทางนอกนี่มันเหมือนความหมายที่เราใช้เนี่ยเราไปเห็นอะไรไม่ชัดว่าเป็นรุ่นเป็นดีว่าคุณอุปทานไปเองคือได้ยินเสียงแววๆผมได้ยินเสียงเทวดาคุณอุปทานไปเองเรามักจะใช้คำนี้ใช่ไหมเพราะฉนั้นคําว่าอุปทานในความหมายของโลกที่เราใช้กันมันหมายถึงอะไรกันแน่คิดไป เองเข้าใจไปเองว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นนี่ความไม่ชัดใช่ไหมคิดไปเองง่ายๆแต่จะบอกความยึดมัน่นถือมั่นเดี๋มาแปลไทยเป็นไทยอนะีกการไม่ปล่อยไม่วางการยึดติดอะไรเนี่ยบางทีคนสมัยใหม่เราเข้าใจยากแต่บอกคิดไปเองเข้าใจไปเองเป็นม้ชีวิตปจำวันแล้วก็เกิดความผิดพลาดเกิดการทะเลาะกันเกิดการอะไรกันมากมายคือตัวนี้เป็นตัวเหตุใหญ่เลย นะตัวอุปทานทีนี้ตัวอุปทานมีกิวิกียนรูปูปาทานนักขันโถในเวลาพระใหม่บทใหม่นี่ไปสวดรูปูปลาทานนขันโถโอ้โหอะไรมีทั้งปูทั้งปลาเลยในงานนี้ว <c oughs> ะเวลาพระบนใหม่เขาไม่รู้บาลีเนะมีทั้งปูทั้งปลาเลยน น, นี่เอาไงเหมือนว่าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยิดมั่นคือรูปแค่ฟังภาษาไทยนกึกเราฟังไม่ออกแล้วนะ ก็คือความสําคัญว่ารูปนี้เป็นเราร่างกายของเราเนี่ยไปคิดว่ามันเป็นของเราอ่ะความจริงแล้วมันไม่ใช่ฉันบอกนะนี่คือเหตุหนึ่งที่เปยืดทุกสิบสองอย่างเนี่ยพราเราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเป็นเป็นของเราอันที่สองเวทนาปาทานขันโธคิดว่าความรู้สึกที่เรานั่งไปเย็นร้อนอ่อนแข็งเท่งตึงเจ็บปวดคิดว่ามันเป็นเราเราเจ็บเราปวดเราตึงเราอ่า อะไรต่างนะคิดว่าสิ่งเล่านั้นเป็นเราแต่ความจริงมันไม่ใช่สาเหตุนนะเพราะเราไม่รู้จักมันอันที่สามสัญญุภาทานัคนถูกขันนั้นไปที่ตั้งในความยิ่งันคือสัญญาเอผมจําได้นะที่คุณว่ามาผิดแต่ผมจํามาอย่างนี้นะอ่าคุณจํามาผิดเป็นเหตุยังไงก็ผมเห็นอยู่อะ่ะแล้วคุณมาอันนี้ที่คุณเห็นมามันไม่ใช่อ่า บางทีอ่านทำรามาเล่มเดียวกันใช่ไหมก็ขัดแย้งกันก็เราไปสําคัญว่าความจํำของเราเนี่ยมันเที่ยงว่าฉันจํามาอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะแล้วก็สังขารูปารทานขั้นโทขันนันเป็นที่ตั้งความนี้มันคือสังขารผมคิดของผมอย่างเนี้ยผมเห็นอย่างเนี้ยที่ไม่ใช่นะรู้สึกใหม่ตัวนี้จะมีปัญหาเลยว่าจันะขอ ควจริงถ้าคุณปิ๊กต้องมานั่งข้างหน้าถึงจะถูกเป็นธรรมบริกรไปนั่งข้างหลังเรียกใช้ไม่สะดวกงานแรกก็ต้องอัดนั่นอัดนี่นะแต่ที่ตกลงกันนะไว้ข้อมูลทั้งหมดที่เราจะเก็บไว้ให้ครูได้ศึกษาต่อไปคงในรอบไม่ต่างกันนะ <c oughs> ว่าสังขาระสังขาราตรัวนี้ว่าเป็น ความคิดความเห็นการปรุงแต่งผมเข้าใจอย่างที่ผมคิดอย่างนี้ผมเห็นอย่างนี้แล้วผมจะเอาของผมอย่างนี้ฉันจะเอาของฉันอย่างนี้อะไรเนี่ยเป็นการไปยึดความคิดว่าเป็นตัวของเราแต่ความจริงแม้แต่ความคิดก็ไม่ใช่ของเรานี่คือเป็นเหตุของทุกอันที่ห้าวิญญาณูปาทานาขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นคือวิญญาณพอเห็นได้ยินได้ฟังมาอย่างไร ก็คิดว่ามันเป็นอย่างที่เราเห็นได้ยินได้ฟังมาใช่ไไปเห็นต้นไม้นะเขาบอกเข้าใจวันนี้คือต้นกล้วยปะคนไม่ใช่ต้นกล้วยไปต้นอื่นก็ยึดตามที่สัมผัสตาหูคมุกลิ้นกายใจไปสัมผัสสิ่งนั้นเป็นอะไรก็ยึดสิ่งนั้นว่ามั น, ม, นมันใช่สิ่งนั้นแต่ความจริงมันไม่ใช่ นี่คือเป็นสาเหตุของทุกข์มันมีอยู่เนี่ยแค่ห้าตัวเนี่ยเป็นเหตุที่สําคัญนะเป็นเหตุที่สําคัญท่านไม่ใช่คําว่ามีคําว่ากิเลสตัณหาอุปาทานที่เราทํากกว้างว่าตัวตัวอุวปาทานตัวอุปาทานก็มาจากตัวนั้นอันนี้เป็นเรื่องของสับเทคนิคนะ่อันนี้คือเหตุของมันที่ทุกสิบสองอย่างมาจากเหตุห้าตัวนี้ทีนี้ต่อมาวิธีแก้ให้เข้าใจก่อนว่าอ่า เหตุของเหตุคืออะไรตัวสุดท้ายรูปังอนิจฉงนี่คือเหตุของเหตุว่นะาตัวที่เราไปยึดเพราะเป็นนั่นเป็นนี้เพราะอะไรเพราะตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นยังไงเที่ยงไหมคงที่ไหมนี่เนื่องจากเรียกไปยึดมันไม่ได้เพราะมันไม่คงที่ไม่คงที่แล้วก็เปลี่ยนแปลงนเปลี่ยนแปลงแล้วก็อา่า ดับไปแล้วก็ตั้งตั้งขึ้นใหม่อยู่เงี้ยทั้งหมดก็ห้าเหมอือนกันนะสัญญาณิจาสังขารานิจาวิญญาณังอนิจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญา่ตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดทั้งหมดเลยนะที่เราจะต้องทําความเข้าใจกันแต่ละวันนี่หมายเขาว่านี่คือเหตุของเหตุก็ได้แก่อานิจังทุกขังอนัตตาของรูปเสียงกิริย์ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความ ไม่เทียงสามอย่างทีนี้จะแก้ไขยอย่างไรถ้าเร า, าไม่แก้ไขไม่ถูกไม่เข้าใจเนี่ยดูชุดสุดท้ายนะชุดสุดท้ายมีเกียวว่าเราทั้งหลายจึงไม่เข้าใจอย่างนั้นแล้วจึงถูกครอบงำด้วยอะไรบ้างชาติชรามราณาโะโศกปริเทวทุกขทุม่มอนัตนะแล้วก็ทุก็จะ เกิดทำให้เราเกิดความขับแค้นเกิดเกิดขึ้นตอลอดนะทำเชนไหนท่านเขาถามว่าทำเชนไหนการจะให้ทุกเหล่านี้มันหมดสิ้นได้ะจะพึงเข้าใจให้มันชัดได้จะพึงปรากฏชัดตัวตัวนี้สําคัญนะว่าอเปวนามิมาสะเกวรสสะทุขคันธะสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติทำเชไหนการทําที่สุดแห่งทุกทั้งหมดอ่ะมาจากรูปิทธนาสัญญาสังขารวิญญาทั้งหมดอ่ะ จะพึงปรากฏชัดท่านบอกไม่ว่าจะพึงหมดไปจะพึงหายไปจะพึงดับไปท่านบอกไหมท่านไม่บอกท่านบอกปัญญาเยทาติทำชนะวันนั้นปัญญารากศับตู้ไปว่าปรากฏชัดไม่ได้แปลว่ารอบรู้หรือแปลว่ารู้ลึกรู้กว้างรู้ขวางรู้อะไรไม่ได้แปลอย่างนั้นแต่ว่าเหตุของเหตุคือทุกอย่างที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ปรากฏชัดคือเราเห็นมันไม่ชัดเห็นมันไม่แจ้งในสิ่งนั้น ไม่เข้าใจความจริงอย่างแจ้งแจ้งในสิ่งนั้นคือปรากฏไม่ชัดคือปัญญาที่เป็นต้นเหตุคือตัวนี้คือไม่ปรากฏชัดแต่ปัญญาที่เรามาใช้รอบรู้นั้นรู้นี้รู้ลึกรู้ตื่นรู้กว้างรู้ขวางรู้อะไรต่างนั้นเป็นผลแต่เหตุมันคือตัวนี้ถ้าเรารู้ชัดไปไงรู้ได้ลึกรู้ได้กว้างถ้ารู้ไม่ชัดไปไงรู้ไม่ลึกรู้ไม่กว้างทําให้เข้าใจผิดึงสาเหตุว่าไม่ปรากฏชัดตัวนี้คือต้องทําให้ปรากฏชัดให้ได้ในเรื่องทุกเนี่ย ว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่นะเพราะฉะนั้นคําที่เรามาใช้ภาษาทั่วไปว่าเออมานี่มาดับทุกมาแก้ทุกมาทําลายทุกถูกต้องไหมาภาษาที่เราใช้กันไม่ถูกนะทุกทั้งหลายที่ต้องทําให้ปรากฏชัดชัดเมื่อมันปรากฏชัดแล้วอย่างนี้เรานั่งเราเห็นหนังสือก็กชัดเห็นหน้เห็นตาเราก็ชัดเพราะอะไรมันชัดตาเห็นชัดพะอะไร เพราะแสงมันชัดนะไฟมันชัดแต่ถ้าหากเรปิดไฟลงอากาศมืดๆเราเห็นหนังสือชัดไหมอ่านไม่ออกจำหน้ากันไม่ได้ลูกขึ้นก็ชนกันะ่ะทีนี้เพราะมันไม่ชัดที่จะทำไงให้ตรงนี้มันปรากฏชัดก็เปิดไฟขึ้นแล้วความไม่ชัดทั้งหลายก็หายไปเพราะนั้นระหว่างความชัดกับไม่ชัดเป็นเป็นสิ่งเดียวกันหรือเป็นคนละสิ่งคนละสิ่งเดียวกัน เพราะมันเป็นคนละมิติเท่านั้นเองนะคนละมิติระหว่างมืดกับสว่างถ้าเราหลับตาสิเนะี่ยเรารู้จักว่ามันมีมืดมีสว่างไหมอ่านี่ถึงเรียกว่ามันมีตัวแปรคือตาของเราว่าเห็นมันมืดสว่างนะอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะเรียนรู้ทั้งหมดเอามามาดูที่นี่สำหรับบรสุปสิกาท่านบอกวิธีนะท่านบอกวิธีว่าจะแก้อย่างไรงนะตัดสักพักวัตุ อ๋อตรงนี้ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานานานแล้วพระองค์นั้นน ะ, นะเราถึงพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเข้าถึงพระพุทธพระธรรมสงูงระการทําเหตุแ ห, ห่งทุกเหล่านี้จะหายไปจะเข้าถึงอย่างไรอ่าตัดสระพักวโตสาสนังญถ า, าสติยถ า, าพรังมะนะสิกโรมะอนุปฏิปชัชฌะจะทําในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ยนั้นตามสติกําลังตรงนี้คือเป็นคีย์เ e วิร์ดอีกคีย์คือหมายความต้องทําสติให้มีกําลังเท่านั้นพระพุทธพระธรรมพระสงค์ที่เราเข้าถึงเนี่ยจึงจะทํางานที่จะเวิร์กได้แต่ถ้าสติไม่มีกําลังสิ่งเหล่านี้เราจะนับถือกล่าวไหวมาตลอดชีวิตไปอีกกี่พกทธชาติ ก็ไม่สามารถจะไปทำทุกให้ปรากฏชัดได้เพราะฉะนั้นต้องพัฒนากำลังของคีย์เวิร์ดคาสุดท้ายคือพัฒนากำลังสตินะอันนี้คือเป้าหมายของเราที่เราจะมาทำเรื่องนี้ห้าวันนี้จบไหมไม่จบหรอกแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นนะเป็นการเริ่มต้นซึ่งเหมือนกับมาสร้างบารามีสมมุติว่า ทุกมันจะปรากฏชัดหมายก็ทุกอันไหนปรากฏชัดแล้วมันหมดเลยนะมันไม่ใช่อ่าหมดเลยเพราะนั้นเรามาทําให้ทุกปรากฏชัดแล้วเรามาสร้างแสงสว่างอ่าเพราะเราเอาตัวหลักว่าที่เราสามารถเห็นหน้าเห็นตาเห็นหนังสือได้ชัดก็เพราะแสงสว่างใช่ไหมทีนี้อันนี้คือรูปธรรมในส่วนที่จะทํานามธรรมาแสงสว่างคืออะไร แสงสว่างเกินความมืดคืออะไรนี่คือสิ่งที่เราจะมาศึกษากั น, นทีนี้วิธีการศึกษาเราทำไมจึงไม่ใช้รูปแบบทั่วไปที่เราใช้กั น, นวิธีที่ทำให้สติมีกำลังแล้วทำให้ภาพทุกอย่างปรากฏชัดมีตั้งหลายวิธีาตามตาราท่านบอกมีถึงสี่สิวิธีใช่ไหบางคนที่เคยเออขอโทษ ตอนนี้ขอทราบก่อนว่าใครบ้างที่เคยปฏิบัติทางพุทโธมาบ้างยกมือขึ้นอาขอสํารวจโอ้เยอะอมกันนี่เนาะเอาลงใครบ้างที่เคยทํายุ่หนอพองหนอบ้างยกยกมือขึ้นน้อยหน่อยใครบ้างที่เคยเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแบบยกมือมาก่อนน้อยลงไปอีกหนึ่งเดี๋ยวยกมาก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคนเลยนะ ก็แสดงว่าทำหน่อมาน้อยที่สุดลงไปก็คือพูโ้โธนะคนไหนที่ไม่เคยผ่านมาสักแบบเลยยกมือขึ้นไม่เคยผ่านมาเลยในเรื่องภาวนาไม่มีนะอุ่นใจหน่อยก็แล้วกันนะท่านะนั้นก็มาดูเหตุว่าเพราะเหตุไรเราจึงใช้เพิ่มกำลังสติโดยวิธีนี้ เข้ามาเป็นการทำให้สิ่งที่ไม่ชัดให้ใหมันชัดคือสร้างสติให้เกิดปัญญาเพราะนั้นปัญญาจริงๆแล้วก็คือตัวปรากฏชัดใช่ั้ยแต่ตัวสติเป็นเหตุของปัญญานะตัวสติเป็นเหตุของที่จะปรากฏชัดไม่ชัดอยู่ที่ตัวสติเพราะนั้นประโยคสุดท้ายว่าซาซาโนปฏิปฏินะบอกว่าเราทั้งหลายจะปฏิบัติตามอยู่ ซึ่งคาสั่งสอนของพระเจ้าตามสติกําลังตามกําลังของสติคนไหนมีกําลังของสติมากก็จะทําตามคําสอนได้ทั้งหมดคนไหนมีสติปันกลางก็จะทําคำสั่งสอนให้ปรากฏชัดปัญกลางคนไหนมีสติสูงสุดก็จะทําคำสั่งสอนให้ปรากฏชัดอย่างสูงสุดหมดเลยถึงขั้นพระละหันพระละหันเน่มีสติส ม, มิยะสูงสุดคือมีสติส ม, มิยะสมบูรณ์เพราะนั้นพระละหันท่านไม่ได้บอกว่าเป็นผู้มีฤทธเดช ปฏิหารเอาเหนนินเดินอากาศลงหนหายตัวไม่ใช่ไง น, นนะเป็นผู้มีสติสมัยสมบูรณ์เท่านั้นเองนะเมื่อมีสติสมัยสมบูรณ์แล้วคุณสมบัติเหล่านั้นบางท่านก็มีบางท่านก็มีท่า น, นแยกเอาไว้หลายประเภทนะแต่นั้นในเบื้องต้นนี้มาทําความเข้าใจว่าเราจะใช้วิธีการเคลื่อนไหวด้วยหลักวิธีการของหลวงพ่อเทียนโดยเฉพาะในคนที่ทํางานอยู่ในอาสมศีลจะได้ยินเรื่องนี้เป็นประจำใช่ไหมเราก็ได้ทํามาด้วย แต่ว่ายังไม่แน่ใจบางคนที่ยังไม่ได้เคยทำเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านะขอทราบเห้ดนูนะ<ม>เพราะเหตุไรจึงใช้ตัวนี้เป็นอุบายเป็นเทคนิคเป็นวิธีการที่จะทำปัญญาให้ชัดให้ปรากฏชัดนี่ทำอย่างไรก็เพราะว่าในเทคนิคทุกอย่างตั้งแต่เขาเรียกว่าทั้งหมดมันมี วิธีตามในพระไตรปิฎกนะมีอยู่6ทาง 1. อึอนาปนาสติ 2. ใชอ้อริบท4 3. ่สใชอ้อริบทย่อย 4. ใช้จะุคือพิจารณาท่าทั้ง4 5. พิจารณาอาการ 3.2 มผมคนล็ ก, กพิจารณาอาสุภามี6เรื่องเฉพาะด้านกายนะเฉพาะในส่วนที่มนมีมีมเรื่องนี้ก่อนในส่วนของกาย ดังนั้นเองจึงหลีเกเลี่ยงไม่ได้เราจะใช้สติปัาสีเป็นหลักในการปฏิบัติครั้งนี้แต่ว่าสติปัญสีนั้นท่านแบ่งเป็นหกจุดจะเอาจุดไหนคือลมหายใจอิบุตรใหญ่อิบุตร ย, ย่อยธาตุสีอาการสามิบสองและอสุภะนะเอาตัวไหนนะตามประสบการณ์ของหลวงพ่อหรืออาตมางานนี้มาขอใช้คำว่าหลวงพ่อเรากันเนาะเพราะอย่างอายุเกินหกสิบไปแล้วหลายปีนะ ก็ใช้อนาปาร์เป็นส่วนใหญ่และอนาปาเนี่ยตามหลักพระไตรปิฎกมาคนละแบบอย่างที่เขามาสอนกันอนาปาร์แบบกำหนดลมเข้าออกแล้วใช้คำบริกรรมพูดโทอย่างนี้ก็เป็นอุบายหนึ่งที่อาศัยลมหายใจแต่ว่าก็ไม่ได้มีพระไตรปิฎกเหมือนกันหายใจเข้าว่าพูดหนะ้าหายใจออกว่าโถ ก, ก็ไม่มีในพระไตรปิฎกนะแต่ใช้เป็นอุบายนะ อันที่สองที่เราทำกันทั่วไปคือยุมหนองของหนองห้ยใจเข้าให้รู้ว่าท้องมันพองขึ้นนะ For, uh, rising ไหายใจออกท้องมันยุบลงเป็น falling and rising อย่างนี้เป็นต้นอันที่สามอนาปานาสติเดยตรวก็คือหายใจเข้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่หแลห้วหายใจออกนับต่างหนึ่งสองสแล้วแต่ว่าสั้นหรื อ, อยาววิธีอนาปานาสติทั้งหมด ไม่ว่าพูดโธรสมรหาญยุคหน้อปพองหนอหรือนับลมหายใจร้อยเปอร์เซ็นต้อง close eye คือหลับตาหลับตาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคนนั่งง่วงคนข้างหลังเสานั่งง่วงเมื่อคืนนอนไม่หลับที่หนคนข้างหลังเสาก็ขึ้นนอนไม่หลับใช่ไหมคงจ่ตื่นเต้นใช่ไหมที่จะได้มาอบรมเลยนอนไม่หลับเลยนะลืมตาดูหน้าหลวงพ่อนี่เนี่ยแล้วมันจะไม่ง่วงนะ อว่าตัวอนาปสปติโดยตรงกร็ท่านใช้วิธีนับนับคู่บ้างนับเดี่ยวบ้างเขาหายใ้เข้าหนึ่งหนึ่งหายสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกไปแล้วหาใจออกก็หนึ่งหสองสองสามสามสี่สี่ห้าหกหรือนับเป็นคู่เป็นเดี่ยวก็มาใช้อันนั้นอันนั้นก็ไม่ใช่ในพระธรปิฎกแต่ว่าอัตตกถาในวิสุทธมรรคท่านมาขยายแต่สําหรับยุคหนอพองหนอนี่มาจากฉบับของพม่า พูดโทรนี้ฉบับของเมืองไทยนะแล้วแต่ว่าเราจะเอาฉบับไหนแต่เป้าหมายก็เพื่อต้องการให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นนั่นเองโดยอาศัยลมเป็นหลักใช่ว่าอาณาปณะสติซึ่งส่วนใหญ่ 90% ที่ใช้กันในเมืองไทยแต่ได้แต่ไรมานะีทีนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลใช้แบบไหน ท่านก็ดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรก่อนแล้วเอาตัวนั้นไปแก้แต่เดี๋ยวนี้เรามาสรุป ก, กันว่าจริตผมถูกจริตผมไม่ถูกกับแบบนี้เอาจริตมาว่ากันตามวิสุที่มรรคที่อ า, าาอาจารย์ได้อธิบายมาแต่หลักก็คือถ้ า, ากว่าอารมณ์ปีนี้ต้องใช้ลมอานาปานะถ้าอารมณ์ปีนี้ต้องใช้แบบิดีบทใหญ่นะถ้าอารมณ์ปีนี้ต้องใช้ดีบทย่อยนะ ถาอารมณ์นี้ต้องใช้อสุภานะถาอารมณ์แบบนี้ต้องอาการสันยี่สองนะแต่าอารมณ์แบบนี้ต้องท่ายีสี่นะอะไรเนี่ยแล้วคืออันนี้คือเครื่องมือเครื่องมือที่จะทําให้สติสั่งยะมันมันมีกําลังมีหกตัวสําหรับทางกายนะเพราะทั้งหมดมันมีอยู่สติปัฏฐานนะเราบอกแคว่าสติปัฏฐานอะไรสี่ใช่ไหมก็มีกายกายเวทนาจิตแล้วก็อารมณ์หรือธรรมารมณ์าจจะว่าไปจุดไป ดังนั้นเหตุผลที่เราใช้การเคลื่อนไหวก็เพราะว่าลมหายใจนี้เป็นการเคลื่อนไหวไหมละเอียดหรืออยาบละเอียดอิริบที่สี่ยืนเดินนั่งนอนเป็นการเคลื่อนไหวไหมละเอียดหรืออยาบหยาอิริบทีย่อยพับตาอาปากหายใจเหลวซ้ายเลยขวาหยิบหยับจับฉวยก้มเงยพวกนี้เป็นหยาบละเอียดอยากรูป หยาบพิสูจน์ก็คือยีบทใหญ่ใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนแต่หยาบลองงงไปนิดหนึ่งก็คือยีบทย่อยมองก็เห็นอยู่อ้าปากมองเห็นใช่ไหมพับตาง่วงหยาบหรือย่อยถามว่าง่วงนี่เป็นกายเป็นใจที่เคยว่ากันอันที่สามธาตุสี 1, 5, 4, ที่เราเคลื่อนไหวได้ในเพราะธาตุอะไรธาตุลมที่เรานั่งได้เป็นธาตุอะไรธาตุ ด, ดินหาจะเข้าออกได้ แล้วก็รู้สึกเย็่ออ่อนอ่อนแข็งเค้งตึงในธา่าใดธาตดไฟและธาตุน้ารวมกันนะดินน้ำาวงไฟที่เราเอามาใช้พิจารณาแล้วก็ในร่างกายของเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลักคือคือดินน้ำรวงไฟเรียกว่าธาตุสี่ใช่ั้ยส่วนประกอบย่อยๆมีเท่าไหร่อาการเท่าไหร่ สาสิบสองหมายความว่าอะไรย่อยเนี่ยมีสาสบสองชิ้นแต่อะไรหลักมีโครงสร้างอะ่ะเป็นอิพลาสติกเชื่อมมีอยู่สี่ชิ้นดินน้ำบุหไฟอะไรย่อยประกอบส2ชิ้นผมคนเล็บฝาหนังเป็นต้นไปและสิ่งเหล่านเวิร์กทำงานตลอดเวลาเมื่อมันทำงานแล้วสิ่งที่ออกมาจากการทำงานของมันเรียกว่าเวลายงขับรถอะ่ะมันจะพ่นอะไรออกมา ไอเสียหรือไอดีไอเสียของรถเราเรียกว่ า, าสโมกบ้างมลพิษบ้างโพลิชเชนบ้างทั้งหมดนั่นเป็นของเสียเรียกว่าอสุภะคือออกมาแล้วมันทําให้มีปัญหาไม่สวยไม่งามอสุภะสุภะโซภาหรืสุภะเบ ส, สวยใช่ไหมอสุภะออกมาแล้วไม่สวยเวลายิ้มเนี่ยเป็นสุภะใช่ไหมเวลาบึ้งเป็นไง อสุภะไม่สวยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอสุภะจึงทั้งที่ส่วนที่เป็นกิริยาอาการและทั้งที่ส่วนเป็นอสุภะทั้งหมดมีหกเรื่องของกายทีนี้การเคลื่อนไหวเนี่ยหนึ่งลมหายใจเป็นการเคลื่อนไหวใช่ไหมสองอีโบดสี่เป็นการเคลื่อนไหวไหมสามอีบทย่อยเป็นการเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวสอสุภะวิ ถ้าสี่เป็นการเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวห้าอาการสามดือนสองเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวหอสุภะไหลเข้าไหลออกเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเราเอาตัวร่วมของทั้งหอย่างมาเป็นอันเดียวกันคือการเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวมีสามระดับหนึ่งการเคลื่อนไหวแบบละเอียดสองการเคลื่อนไหวแบบปานกลางสามการเคลื่อนไหวแบบหยาบการเคลื่อนไหวแบบหยาบ ปานกลางแล้วก็ละเอียดมีสามอย่างระหวางการเคลื่อนไหวของลมหายใจกับการเคลื่อนไหวของอีโบสีอันไหนรู้ง่ายกว่ารู้ง่ายกว่าอันไหนรู้ง่ายกว่าเห็ใ น, ในในบทพลิกเปลี่ยนเนี่ยรู้เห็นชัดกว่าใช่ไหมหายใจเข้าออกนี่ถ้าเราไม่ตั้งใจรู้จริงๆมันจะรู้ไหมมันเป็นโมโนโทน เข้าออกจังหวะเดียวเลยใช่ไหมเากวเดียวทีนี้อิบิบรย่อยหพับตาอ้าปากหรือไส้ายขวาอันนี้อีกชั้นหนึ่งเลือกเคลื่อนไหวปันกลางในส่วนของธาตุสีอาการสาบิบสองและอสุภะก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างละเอียดลงไปค่อนข้างจะตามดูยากมีสามระดับ ดังนั้นเราจึงเอาตัวกลางคือการเคลื่อนไหวของอิเดียบุตรสามอย่างเหล่ามารวมกันการเคลื่อนไหวของลมหายใจการเคลื่อนไหวของเสีและการเคลื่อนไหวของอิริบุตรย่ อ, รยอยนะบุตรย่อยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในตัวเคลื่อนไหวของอิเดีบยบุตรย่อยเนี่ยเป็นอย่างไรพลิกหนังสือไปดูหน้า88ดสิบแปดแดู วันนี้ต้องหาหลักฐานมาอิง ก, กันเทียบเลยงนะก่อนที่เราจะตัดความสงสัยว่าทําไมต้องทําแบบนี้เนี่ยจะต้องไม่ถามอีกไงอทําไมฉันต้องมานั่งทําแบบนี้เพื่ออะไรมีในพระไตรปิฎกไว้เนี่ยเราจะไม่สงสัยนั่งทํากันลูกเดียวเลยไม่ต้องมาคิดเล็กคิดน้อยอ เ, เสียเวลาะเจอแล้วยังหน้าแปดสิบแปดอ่าหน้าแปดสิบแปดเป็นอิทธิบุตรหยาบนะใช่ไหมเป็นอิทบิบุตรหยาบแปดสิบเ็ด ในอิริยบทใหญ่นะใช่ไหมอิริยบทใหญ่แล้วก็ประภาสมชายญาปร ะ, ะอิริบทย่อยสองตัวเนี้เราจะมารวมกันนะสองตัวนี้ว่าในส่วนที่เป็นอิริบทใหญ่อันนี้เชี่้เห็นว่าใครต้องการไปดูละเอียดไปดูทีหลังนะแต่เชี่ยเห็นว่าที่เราทําเราทําตรงนี้นะที่ว่ามาดูหน้าแปดสิบเก้าตรงคําว่าอันที่หนึ่งอหนึ่งจุดสามนะ นับลงบรรทัดที่าจากหนึ่งจามาหนึ่ง 6.7 สามสี่ห้าหเจ็ดบรรทัดที่7นะสัมมินชิเตปาสาลิเตสัมปะชานากาลีโหติเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวพร้อมในการคูการเหยียดอวัยวะเพราะฉะนั้นเราจึงจับจากพระไตรปิฎกตรงนี้เอาตัวนี้มาเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการปฏิบัติการคูการเหยียดคู แล้วก็เหยียดหลงพ่อเทียนก็เลยท่านจับมาการคูเข้าเหยียดออกมาเป็นตัวอุปกรณ์นะตัวคูวเข้าเหยียดออกแล้วก็การเดินจงกรมก็จะอยู่ในหน้าแปปดคัชชันตัววาคัชชามีติปะเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดๆว่าเราเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ให้รู้ชัดๆว่าเรา ยืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ให้รู้ชัดๆว่าเรานั่งอยู่ arte, ยเมื่อ น, นอนก็ให้รู้ชัดๆว่ากาลังนอนอยู่เพราะฉะนั้นคําว่าประชานาติกับว่าปัญญาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาคือประชานาติให้รู้ชัดๆประชานาติตรง น, นั้นแต่ว่าไม่คิดตัวคําว่าปัญญาเยญ่ถามแปลว่าปรากฏชัดใช่ไหมแต่ก่อนที่จะปรากฏชัดต้องให้รู้ชัๆดๆก่อนประชานาติตรงนี an, ้เห็นไหมนะขัดชันตัวว่าคัดช้ามีติประชานาติแปลว่ารู้ให้ย่อมรู้ชัดว่าให้รู้ชัดๆ นี่เราเริ่มต้นตรงนี้เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจผิดเพราะมันไม่ชัดเจนก็มาทําให้มันชัดจะ้ะวจะชัดอย่างไรอันนี้รายละเอียดเราจะพูดกันต่อไปนะอันนี้เป็นเหตุว่าเพราะเหตุไรเราจึงใช้ตัวการเคลื่อนไหวเป็นอุปกรณ์แล้วเจาะมาตรงที่ว่าสัมมินชิติปายสาลิติคือการเคลื่อนไหวมือมีพระไตรปิฎกรับาปรนเรียบร้อยเราจะไม่สงสัยนะ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อการเคลื่อนไหวแบบนี้ถือว่าเป็นระดับหยาบและตัวหยาบเนี่ยมันจะนําลงไปสู่ตัวละเอียดพวกเราสมัยพวกเรานี่คงไม่ได้ตําน้ําพริกดิ้นครับเนาะแต่เมื่ก่อนนี่เขาใช้ครกตําน้าพริกเราจะเห็นหันนั้นหันนี้ใส่ลงไปหยาบๆใช่ไหมแล้วทำไงก็ตํำครกหุปนะุกๆจนละเอียดเอาทําไมไม่เอา อะไละเอียดหรืออินกเลเดียนเหล่านี้เข้าใส่หม้อแกงเลยก็แกงเลยทําไมต้องไปบดให้มันละเอียดอ่ะเหตุผลเพราะอะไรแล้วบดให้เป็นละเอียดเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้ครกเขาใช้อะไเครื่องปั่นจืดเดียวเอาไว้ก็ครกอีกอ่ะเพราะอะไรจึงไปบดให้มันละเอียดทําไมไม่ใช้ไอ้ตัวที่เราหารันหันใส่เลยเพราะว่าให้รรถทุกรสของวัตถุนั้นนั้น แสดงตัวให้ออกหมดเพราะมันฝังอยู่ในนั้นใช่ไหมทำให้มันออกมาชัดๆอ่ะย่อยมันเพื่อมันออกมาชัดว่าเมื่อรวมทุกรถเข้าด้วยกันแล้วมันก็จะเรสามัคคีกันออกมาเป็นรถแกงส่วนจะแกงอะไรก็แล้วแต่อ่าอินคีเดียนหรือวัตถุดิบอันนั้นคืออะไรเราจะแกงอะไรฉันใดก็ตามเราเอาตัวสติปัญสีมาบทมา มาคลุกเข้ากันหนึ่งเพื่อให้มันเกิดรสชาติของสติสัมมชญญาชน ya และปัญญาสติสมาธิทั้งหมดทั้งสี่เนี่ยถ้าเราจะพูดให้ถูกนะสติสัมมชญญาชน ya สมาธิและปัญญากว่าจะปรากฏชัดหรือปรากฏชัดน้ำตาลผ่านกระบวนการคือผ่านสติผ่านสัมมาัญญะและผ่านสมาธิแล้วถึงจะปรากฏชัดคือตัวปัญญานะอันนี้สาเหตุว่าเพราะเหตุไรเราจึงใช้ตัว เคลื่อนไหวเป็นอุปกรณ์ในการดัง น, นั้นเองด้วยเวลาที่จํากัดเหลือยีสิบนาทีาาทเราจะสาธิตเล่นก่อนเนื่องจะไม่ได้เคลื่อนไหวกันเป็นเรื่องเป็นราวนะอา้าเปลี่ยนอีกบทตานสบายนั่ง ห, หัดมาธหายใจลึกๆตั้งตัวให้ตรงนะเพราะมันง่ายกว่าเห็นชัดกว่าเพราะจะเริ่มต้นที่เห็นชัดๆไปก่อนเพราะเราจะไปดูเรื่องจิตให้ชัดใช่ไหม แต่ถ้าเรามาเห็นกายไม่ชัดจะไปอยู่จิตชัดไหมไม่ชัดอันนี้คือเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะลุงพ่อธรรมเองทำอนาปาแบบนับลมหายใจกับสนมุกช่วงแรกปีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดาทำมันก็ไปติดที่ง่วงไปติดที่หลักมาถามลุงพ่อพุทธทรรอะไรทั้งหมดไปดูหนังสือนี่ผมเขียนไม้หมดแล้ววิธีแก้ง่วงนี่อย่างไร พอเราจะไปดูไอ้ง่วงมันหายไปแล้วอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องไปดูแล้วะ่ะใช่ไหมจะทําไงพอง่วงให้รู้สึกนี่คือหายทันทีจะทําไงตรงนี้ท่านไม่มีเวลามาลงรายละเอียดกับเราเราก็ทําเองทำเอง้อง็ติดอยู่แค่ง่วงอย่างพ้นจากง่วงก็เป็นความสงบเข้าฌานเข้ า, ขาสมาธิไปเลยแล้วถามว่าเข้าฌานสมาธิแบบนิ่งรลับดับดินงเนี่ยสติสัญญาเป็นไงหายไปเล ย, หยเห ล, ลือแต่สมาธินี่แต่ว่า คำจะเกิดความว่าผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้คือผู้มีสมาธิสมบูรณ์หรือปัญญาสมบูรณ์ไม่ใช่แต่ให้กับผู้มีพ้นทุกข์ได้สูงสุดคือผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะสติสัมปชัญญะเป็นเหตุของสมาธิและปัญญาถ้าเหตุไม่สมบูรณ์ผลสมบูรณ์ไหมถ้าสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์สมาธิปัญญาสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงมาฝึก สติสัมญะแต่เราจะต้องทำความถี่ของสติสัมยะให้จากหยาบกลางละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างละเอียดที่สุดคือต้องการไปรู้เท่าทันจิตเพราะมันเป็นตัวเหตุของทุกข์ใช่ไหมแต่การที่จะไปรู้เท่าทันจิตไปดูจิตเลยเนี่ยโดยที่เราไม่ชัดเรื่องของการเคลื่อนไหวทางกายซึ่งหยาบมากๆเนี่ยเราไม่ทันโอกาสที่เราจะไปดูจิต ก็ยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ เ, เพราะฉะนั้นมีลัทธิดูจิตขึ้นขึ้นเยอะปัจจุบันเขาไปดูจิตเลยไม่ต้องไปดูกายเสียเวลาแล้วสําเร็จผลกันบั้งไหมยากเพราะมันข้ามฐานไปนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาเน้นที่กายก่อนกายก็ต้องมาแบ่งเป็นหกอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ลมหายใจการเคลื่อนไหวบทใหญ่การเคลื่อนไหวดีบุตรย่อยการเคลื่อนไหวของธสการเคลื่อนไหวของอาการสาิสองการเคลื่อนไหวของของเสียในร่างกาย ให้มาดูตรงนี้ให้ชัดๆเสีย ก, ก่อนเมื่อดูตรงนี้ชัดแล้วเนี่ยการที่จะไปดูจิตให้มันชัดเนี่ยก็ยังไม่ได้ร่างกายของเราที่มันเคลื่อนมันไหวเนี่ยเรารู้ได้ไงว่ามีการเคลื่อนการไหวเกิดขึ้นเราพลิกแข้งพิกขานเนี่ยเพราะอะไรโยมเมื่อยใช่ไหมเมื่อยได้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์กายเมื่อยหรือใจเมือ่อยต้องหาเหตุให้เจอ กายเมื่อยก่อนใช่ไหมการเมื่อยการปวดมันมาจากตรงนั้นร่างกายไม่สบายร่างกายมันเมื่อยเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเวทนาทุกขเวทนาไม่สบายใช่ไหมทางกายนะแต่ถ้าหากว่าพิกไวแล้วรู้สึกสบายหรือไม่สบายรู้สบายขึ้นมาหน่อยเลยเรียกว่าสุขเวทนาที่ยังมันสัมผัสมันยังไม่ได้เนีย่ยรูก้ก็เรียกอทุกขมาสุขเพราะนั้นตัวที่สองคือ น, นี่เรายังไม่ลงรายละเอียดเป็นโครงสร้างเห็นชัน์ก่อนว่าการเคลื่อนไหวของกายเพราะความทุกข์มันบังคับต้องเคลื่อนไหวอย่างพับตาลืมตาอย่าดียวตลอดชั่วโมงเนี่ยไหวไหมมันพับขึ้นลงแทบทุกวินาทีเพราะอะไรจึงพับขึ้นพับลงเพราะว่ามันเป็นทุกข์ถ้าไม่พับเป็นไงไม่พับขึ้นไม่ลงใช่ไ้ยตาก็กลิงตาก็ปวดตา เกิดเพลงเกิดเกิ่งเะทุกแล้วได้ภาพขึ้นภาพลงไปไงสบายเพื่อนี่คือตัวเวทนาแล้วเคยตามทันไหมภาพตาเนี่ยไม่ทันแล้วจะไปดูจิตทันไหมขนาดภาพตาของเห็นเห็นเนี่ยยังไม่ทันนะยอันนี้เหตุผลว่รราทำไมการไปดูจิตจึงมันไม่เวิร์กเพราะไม่แต่ภาพตาเรายัางตามไม่ทันเลยวันนึงวันนึงเราพูดกี่ครั้งถามว่าทันปากที่มันขยั บ, ข, ยบขึ้นขยับลงมั้งไหมเนี่ยยิ่งหนักกาไปอีกใช่ไหม ร้อยครั้งฟันหุนแทบจะไม่ได้สักหุนเลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือของเห็นเห็นชัดชัดนะจะทำให้ปรากฏชัดเอาละประเด็นว่าเราใช้การเคลื่อนไหวเป็นอุปกรณ์เพราะว่าถ้าเราไม่เคลื่อนไหวแล้วมันผิดกฎของอะไรอะนิจังเมื่อไปผิดกฎเองนิจังแล้วผลตามมาก็คือทุกขงังนี่ ทีนี้เราทําตามกดของนิจังร่างกายมันเคลื่อนไหวที่เราบําบัดทุกเนี่ยมันเคลื่อนไหวของมันเองหรือว่าเราเจตนาให้มันเคลื่อนไหวการที่เราบําบัดทุกมีสองลักษณะหนึ่งบําบัดสมมติเรายกขาเปี่นขาเนี่ยถ้าคนไม่ได้ฝึกสติมาก่อนี่จะรู้ไม่ว่าตัวเองพลิกยังไงไม่รู้นะแต่พอได้ฝึกบ้างแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้ทันทีนะร้อยครั้งเนี่ยพลิกขาร้อยครั้งจะรู้สักกี่ครั้งชัด คลิเหมือนกันแต่ว่าชัดหรือไม่ชัดนะเห็นไหมตรงนี้คือรายละเอียดที่เราจะลงต่อไปคือเรื่องของเวทนาอันที่สามเมื่อตอนแรกเวทนาความไม่สบายกายให้ไม่สบายอยู่แค่กายนะะพอพลิกบ่อยเข้าแบเขาสึกไม่พอใจอทําไมพูดนานนักขึ้นกูเห็นฉันจะลุกไปแล้วนะเนี่ยเออความไม่พอใจเกิดแล้วใช่ไหมตอนแรกเกิดทุกข์ขั พอสติมาไม่ทันทุกข์ขาดทางกายเกิดโทมานัสคือความไม่สบายกายตอนแรกเกิดทุกข์คือความไม่สบายกายพอสติตายไม่ทันก็เกิดโทมนัตความไม่สบายใจนี่ไอ้ตัวนี้เองคือเป็นตัวเวทนามันจะต่อสจิตจิตเข้าไปเกี่ยวข้องตรงที่ว่าเราไม่ทันเวทนาเราไม่ทันเวทนาเพราะเราไม่ทันกายพอไม่ทันกายปั๊บก็ให้เกิดเวทนาพอไม่ทันเวทนาปั๊บก็ให้เกิดจิต การที่เราจะไปดูจิตเราดูกายกับเวทนาเห็นชัดหลือยังตรงนี้มันคือเราข้ามขั้นตอนไปที่สามเลยนะและถ้าจิตของเราไปรับรู้แล้วไม่สบายใจแล้วก็เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อไรจะจบที่ว่าเมื่อไรจะลูกไปว่าเมื่อไรจะได้ทานข้าวเมื่อไรจะได้เข้าห้องน้ำฮิตไปกลายเป็นอะไรเป็นอารมณ์พอใจไม่พอใจเป็นกุศลอกุศล เป็นบุญเป็นบาตามมาทันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นกายเวทานาจิตธรรมจึงสัมพันธ์กับแบบนี้ที่จะต้องเรียนกันตามลําดับเพราะฉะนั้นถือว่าห้าวันนี่น้อยมากๆเลยนะจิต <c oughs> วันนี้วันเออใกล้เคียงแต่อย่างนั้นนี่ก็พวกเราเรียนเรียนเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนเก่งอ่นะไม่ต้องถึงเจ็ดวันห้าวันท่านก็ทำได้สําหรับคนที่ไม่ตั้งใจก็แบกน้ำหนักหน่อยก็เลิกกันหนักก็เพิ่มหน่อยดังนั้นนี่คือเป้าหมาย แล้วก็เครื่องมือของเรามีสี่ชุดแค่นี้ชุดที่หนึ่งกายมีหกชิ้นที่กล่าวมาชุดที่สองคือเวทนามีสามชิ้นสบายไม่สบายไม่แน่นะชุดที่สามคือจิตหลักๆมีสามแต่ว่าย่อยไปเป็นแปดชุดที่สี่คืออารมณ์หลักๆมีสามเหมือนกันแต่ย่อยๆก็เป็นสามสิบเจ็ดือสามสิบนะ นันเราจะเห็นว่าอันนี้คือสิ่งที่จะศึกษากันโดยคงสร้างหนักฟังแล้วหนักไหมไม่หนักสนุกนะเอามาจะพาปฏิบัติอย่างสนุกนะเป็นแฮปปี้รี e ีทกันแล้วกันปฏิบัติแบบสบายแล้วเข้าใจเร็วนะเรียกว่าสุขขาวปฏิบัติาปฏิบัติง่ายปฏิบัติสนุกแล้วคิปปัญญารู้เร็วแต่ต้องฟ o l โล w ให้ทันกันแล้วกันนะนะอ่นอานไม่ได้นะ ดังนั้นในช่งชวงเช้านี้ได้พูดถึงเรื่องของการเป้าหมายเหตุผลว่าข้อเหตุไรตึงใช้การเคลื่อนไหวและในการเคลื่อนไหวนี้เราจะเคลื่อนไหวในส่วนไหนบ้างและจะเคลื่อนไหวอย่างไรอันนี้เราจะทำกันต่อไปและส่วนต่อมาคือการสาธิตอ๋อขออีทีหนึ่จำได้หรือไม่ได้ไม่มีการสาธิตต่อยนะไ ด, ได้ก็ได้หรือไม่ได้ก็ไปฝึกต่อยก็แล้วกันอ๋อเตรีมตัว หนึ่งสองสาม น, นั่นแหละช่วงเช้าเราได้สาธิ ต, ตการเคลื่อนไหวมือเดี๋ยวทานอาหารเสร็จแล้วประมาณเวลาแปดโมงแปดโ ม, มครึ่งเราจะสาธิตการจงกลุ่มการเคลื่อนไหวการยืนการเดินการนั่งการนอนการนอนจะสาธิตตอนไหนนอนอยูคาช่วงเช้าวันเช้าถ้าใครใครมายูคาด้วยก็จะมีท่านนอนท่า น, นี้แหละก็เรียกว่า ผ่อนคลายในการนอนอยู่ค่ะก็ในช่วงเช้าวันนี้เราได้ทำการชุ ม, มงแรกเนะกี่ยวกัพูดถึงหลักการและเหตุผลว่าทำไมต้องใช้วิธีนี้ทำไมต้องเคลื่อนไหวนะแล้วก็สาธิตแบบนี้มีกี่จุดมีรายละเอียดอย่างไรเราไปซักซ้อมแล้วอ น, นิสงไม่ต้องพูดถึงนะอ น, นิสงคือต้องการปรากฏชาตานั่นเอง ทุกอย่างปรากฏชัดแล้วจบแต่ทุกอย่างที่มันมีปัญหาอยู่ไม่จบไม่สิน้นเพราะมันไม่ชัดปัจจุบันเราใช้คําว่าโปร่งใสรัฐบาลนี้ไม่โปร่งใสเล ย, เลยนะมันมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากมายไม่โปร่งใสในใจของเราเหมือนกันมีสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนมากมายไม่โปร่งใสมันถึงเป็นที่หลบซ่อนของขีดแตนหาประธานมากมายเพราะไม่โปร่งใส เม่ไรมันปรากฏชัดโปร่งใสที่ตัณหาประานมีที่หลบซ่อนไหมความมืดอะ่ะมีที่หลบซ่อนไหมไม่มีที่หลบแล้วทุกจะมาจากที่ไหนนี่คือเป้าหมายและอันนี้สูงที่เราต้องการนะก็ขออนุโมทนาสาธุในการที่เราตั้งใจศึกษาที่จะเรียนรู้สิ่งนี้ด้วยความตั้งใจที่ถูกต้องและสูงสุดแล้วก็ขอให้เราทั้งหลายต้องมีจิตใจที่โปร่งใสและชัดเจนถึง ที่สุดด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดกลับพระบ้องกัน